ทังทำกันทั้งตาเป็นผู้พูดทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วออกไปทำสามคำที่ได้ยินถ้าฟังแล้วไม่มีการกระทาเกิดขึ้นก็ไม่มีประโยชน์เพื่ออไปเป็นการประกอบกันสิ่งที่เราได้ฟังเป็นสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้ทำเป็นสิ่งที่เราได้ฟังมา มันก็เป็นการกระทำเกิดขึ้นที่เป็นกรรมถ้าสิ่งใดที่ทำลงไปไม่มีเจตนาให้จากการกระทำนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่เรายกมือสร้างจังหวะไม่มีเจตนาการกระทำนั้นก็เป็นกาตัดตกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อนั่งหลับตาว่าตัวเองทำสมาธิ พอให้หลับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้นั่งทำสมาธิในรูปแฝดปล่อยจิตใจคิดฟุ้งซ่านไหลไปอดีตบ้างอนาคตบ้างอันนั่นก็ไม่มีประโยชน์นั่งแต่ชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์บางทีเราง่วงหอนนอนจะพังงอก ก็นั่งอยู่สปปะพังอกเวลาเมืง่ง่วงก็หลับตาปีเข้าไปอ่อนเอไปคอตกสปปะพังอกนั่งอยู่เท่าไรก็นั่งสปปะพังอกอยู่ยนั่นไม่ใช่ทําความเบียดไม่ใช่ฝึกสมาธิมาธิคือมีที่ตั้งมีที่เกาะมีหนึ่งเดียวเช่นเรานั่งสร้างจังหวะใส่ใจที่รู้ การเคลื่อนไหวของกายการรู้สึกตัวเป็นการฝึ ก, กจิตไปพร้อมๆกันขณะที่มือเคลื่อนไหวหรือขณะที่เดินจงกรมขณะที่ดูลมหายใจจะจับจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่ตั้งมีสติรู้สึกตัวกับที่ตั้งนั้นเป็นปัจจุบัน เป็นปัจจตังนั่นเลยว่าฝึกสมาธิแต่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าสมาธิใจใจรู้อยู่การฝึกสมาธิที่ใส่ใจที่รู้สึกตัวความรู้จึกตัวก็บ้าขึ้นการฝึกสมาธิไปเช็กับงางกับการก็ได้การงานก็สําเร็จให้ทอดทิ้ง เพรนั่นเลยว่าฝึกสมาธิอ่านหนังสือก็ติดง่าอัตาหาเวทีตังเฉยโยเช่นตนนั่นแหละเป็นจริงไปเสรอ่านรอบเดียวก็ติดแล้วถ้าคนใจลอยว่าแต่ปาดอ่านหนังสือไม่ใส่ใจว่าสิบเที่ยวก็ไม่ติดเพราะไม่มีสมาธิทาอะไรก็ตามถ้ามีสมาธิ มักจะสำเร็จประโยชน์ชัดเจนแม่นยำเป็นการพัฒนาชีวิตในด้านดีขึ้นถ้าทำสิ่งใดไม่ใส่ใจเป็นการเร็วลงเรียว่าหายณะเสื่อมถ้าทำสิ่งใดทุกความตั้งใจหรืว่าวัฒนะดีขึ้นต้องมาฝึกสติไปใจที่รู้สึกตัว ฟังนิดหน่อยก็ได้เอาไปทำจะทำเองไม่มีใครพูดก็อย่าไปเอาความเข้าใจที่เป็นคำอธิบายได้เหตุใด้ผลเพียงพอกพอย่าทวนไปเอาของเขามันเป็นของเราเราต้องทอบไปเกิดขึ้นสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆก็เคยเตะปฏิเจตเราก็ทำอยู่แต่มันไม่รู้ไม่เข้าใจ ัท น, นที่หลวงพ็เทียนพูดเรามาทำให้มันลู้เอาเพราะว่าผมจะทำเอาเองจะทำเองด อ, อกอันลู้ไม่ลู้ขอให้ทำเองถ้าจะเอาความเข้าใจง่ายนิดเดียวหวังเข้าใจเอาเป็นการกินตะยานไปไม่ลงตัวแต่ความว่าใจ มีอยู่เหตุผลมีอยู่แต่ยังมีความโกรธกิเลสตังหาไม่อยู่รู้อยู่เอานันเป็นความเข้าใจมันไม่เป็นทำไม่เป็นมีแต่ความรู้ความวาฐานต้องฝึกให้มันเป็นไม่ใช่เอาความรู้ฝึกเป็นตรงไหนฝึกเป็นตรงที่มันหลงเรารู้จักตัวล่ะแต่ก่อนเวลามันหลงต้องใจที่รู้กับการเคลื่อนไหว อาศัยนิมิตนี่ไปก่อนกลับมาหาที่ตั้งเราทำไปทำไปมอต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเลยเอรามันหลงก็เป็นเหตุให้รู้จากให้มันหลงมันจะได้มีความรู้ท่าทายเลยทีเดียวเหมือนก่นจำนานในการงานท่าทายตีระปูมือเดียวไม่ต้องจับ เอาค้อนจับตะปูเลยเอาค้อนจับตะปูเอาค้อนตีตะปูอันเดียวมือหนึ่งห้อยห้อยตัวไว้มือหนึ่งก็ตะปูเอาใส่ค้อนเอาค้อนตอกว่าทำได้ถ้ามันชํานาญในการงานเห็นจานทรงศิลจานต้มสำเด็จสถาปัตตะเขียนไหลหมันทําเล่น อ่านจารีสารเล่นคอมพิวเตอร์อาจารย์ภาษาพิมพ์ดีจไม่ต้องไปดูพิมพ์ดีจมือมันไปเองแต่เราไปหัดต้องดูอักษรค่อยๆเต้นไปเวลามันผิดยาจารย์าสารก็รู้ไม่ได้ดูตาไปอ่านหนังสือหลวงพ่อเล่นดนตรีมือมันเต้นไปเองในโน้ตต่างๆไม่ต้องไปค้ำหา เสยมันอยู่ที่ใดนดอยู่ที่ใดมือมันเต้นไป เ, เพราะมันเป็นอันนี้คือฝึกให้เป็นไม่ใช่เรียนให้รู้การฝึกสมาธิเนี่ยเป็นฝึกการฝึกให้มันเป็นเอาไปทําเอาเหมือนเด็กน้อยไม่จะกินนมกล่องพ่อแม่เอาหลอดสอดให้มันร้องให้ไม่เอาไม่เอาทําเองทําเองถ้าเด็กคนใดคิดอย่างนั้นทำางานั้น่ะแสดงว่าจเจริญ เด็กคนไหนถ้าไม่อยากทำอะไรอะไรนั้นอ่อนแอไม่พัฒนาชีวิตเ็นเด็กบางคน่ะออมันทําเองทําเองกับมือจับหลอดแทงตรงที่มันมีรอยแทงเน่าทงอีกมันก็ไม่ถูกแทงแน่าแทงอีกแม่จะไปแทงให้มันไม่เอาไม่เอาไม่เอาทําเองทำเอ ง, เ อ, งอันนั้นเียว่าจเจริญการกระทําของเราก็เหมือนกันเวลาใดมันหลง ก็ตื่นร้อน้นกระหึ่มไม่ไหนใจเวเลยมันผิดอะไรต่างๆนอกจากมีความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวให้ทุกไตทุกครั้งเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่นานถ้าทำอย่างนี้มันเห็นต่อหน้าต่อตาแท้ๆไม่ได้คิดถามไม่ได้มโนภาพความหลงก็เกิดขึ้นมาเองสอนจริงๆตรงจริงๆก็เอกันจริง ความรู้กับความหลงมันจะอี ก, กันเห็นบ่อยเห็นบ่อยบ่อยเข้าขี้หน้ามันได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมสัมผัสกับความรู้บ่อยบ่อยสัมผัสความหลงบ่อยบ่อยก็ได้บทเรียนตรงนั้นที่มีค่ามากเวลาใดเราหลงเฉยหมย น้องไปในความหลงมันก็อาจจะด้านได้ในความหลงความหลงทำไม ห, หน้าด้านได้ไม่อายผมโกรกทำไมคนหน้าด้านไดไม่รู้จักอายผมทุกข์ทำไมคนหน้าด้านได้ไม่รู้จักอาย ห, นหนาาา ย, ยาบพลายไม่ใช่ดือ้อมันด้านผมงอนอนหมดอะเวลาใดมันง่วงขึ้นมาหาว่าปากตาก็หลับอ่ อ, อนแอไปเลย ไม่สู้มันก็อ่อนแ อ, าอานาดสิบปียี่สิบปีก็ยังง่วงอยู่ขนาดมันด้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่ติเปลี่ยนนันดีกระตือเร่ร่อนจักหน่อยการฝึก ต, ตนสอนตนก็ต้องพอสมควรแต่อ่อนแอที่ว่าคือสู้แต่อ่อนแอมันก็พ่ายแพ้ปลายชัยปลายชัย คนมีแต่ภ่ายแพ่เรื่อปาราชิกให้มารู้ทำกับเขาลยว่าราชัยคือปาลชิกต้องมีการชนะว่าชิตังเมย่บาชิตังเมชนะแล้วชนะความหลงชนะความทุกข์ชนะความโกรธชนะชิเลตตระหนัชนะแล้วชิตังเมชิตังเมย์มีมีเหลี่ยมที่จะต้อง มองต้นอยองช่า ง, งหางงามบ้างอะไรก็อ่อนแอไปเลยไม่ได้การฝึกตนสอนตนมันเป็นกรอบเป็นกำขึ้นมาไม่ใช่สมสีสมฮะมอมๆเฉาๆมันทำได้กับมือกับตากับใจของเรายกมือสร้างยังหวะเคลื่อนไว้ไปมาเป็นของเท่ของจริงใจจะไปเชื่อใครองเชื่อตัวเองให้ อาเสตัวเองจึงใดที่เราทําเองมันหลุดหุ้นจากความผิดมาเป็นความถูกหลุท้นกับความทุกข์มาเป็นความไม่ทุกข์นั่นแหะที่ว่าคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เอาไม่เป็นที่พึ่งของตอนเองถ้าจริงใดอ้อนบอลโอ้ oh. อันนั้นไม่ใช่คําสอนพระเจ้าไม่ใช่สัจธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันครบทุกอย่างแต่ไปตั้งเป้า โมอะไรไม่จะรู้รู้ธรรมะจะเป็นยังไงเงยแต่ไปยังไงยังไงทําไมทําไมอยู่มันเนิ่นชา้าเอาการธรรมบกเบิกเข้าไปผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีว่าคำทําไมไม่มีคําว่าทําไมภาษาไทยจำแนกตัดออกได้สําหรับนักกรรมฐารแต่นักทํางานทั่วไปภาษาโลกต้องทําไมกัน ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้กรรมฐานไม่มีคําว่าทำไม่เวลามันหลงทําไมจึงหลงเมื่อที่มันหลงมันเกิดอะไรเนี่ยอีทับปัจิตตาไม่ใช่เป็นอะไรไปโทษอะเพือเพ่อเห็นธรรมเพื่อเห็นอีทับปัจิยตาเพราะมันหลงมันจึงทุกข์เพราะมันหลงมันจึงโกรธเพราะมันหลงมันจึงปุงแต่ง เร า, ารูบสุกตัวมันก็ไม่ปงแต่งอีทับปัจจิตาอันกลมหลงของลูกใครทําให้เรามาอยู่กับเราแท้ๆต้นเหตุมันเหตุปั จ, จโยจึงได้เกิดที่เหตุดับที่เหตอัธาปาาัจฉิทํานี้แต่ไม่รู้ทําแล้วสอนภาษารีบทจึงได้เกิดต่วเหตุก็ดับที่เหตุพระตถาคตสอนอย่างนี้พระตถาโทษเป็นครูของเรา ผู้ของเราสอนอย่างนี้เท่านี้เองสารีบทได้ตรงตาเห็นทำทันทีการเกิดที่เหตุดับที่เหตุใครเป็นคนสร้างก็เรานี่แหละมันหลงทำไมล้มมันจึงหลงเพราะไม่มีสติทำไมไม่มีสติเพราะไม่ประกอบปติมันจะเกิดเพราะมีการประกอบเพาไม่ประกอบมันก็ไม่เกิดมีอยู่ปฏิไม่ใช่หร ไม่ได้ไปหาประกอบขึ้นมาใช่ไหมมากยึง่งใช่ยิ่งมากพลรานท่านว่าลักยาวให้บัน่นลักสั้นให้โตลักยาวบั่นตัวหลงให้รูปบอกว่าความรูป ก, ก็ยาวไงลักสั้นให้โตววเวลาหลงต่อค ว, วามรูปความหลงก็สั้นลงไม่ไว้สักหน่อยวเวลาหลงยอนนะย่างห้เหตุผลปัจจัย มันเนิ่นช้ารวามรู้สึกตัวมันม า, ไ ว, า, าไวไวถ้าให้ไวๆสติคือบางไวสมจัญญะคือางาไวก่อนอื่นเลยแต่ว่าจึงจะเป็นเรื่องของสติถ้ามาช้าไม่ใช่สติแม้ว่ามันคิดความคิดเกิดขึ้นก็อย่าทําตามความคิดการฝึกตนเนี่ย นั่งโยมคิดจะลุบก็จะลุบเลยให้รู้สึกตัวไายความคิดสั่งแต่ละที้อารมณ์ต่อมาให้สติเป็นใหญ่เราจะเคลื่อนไหวไปมาให้มีสติเป็นเจ้าของกายเราได้มันคิดมีสติเป็นเจ้าของจิตใจเรียกว่าสมรถกับพระธรรมแต่งงานกับพระธรรม เราทำเปนคู่ชีวิตไปไหนอย่าไปคนเดียวให้มีคู่ป้องไปกับสติสัมชัญญะหัดเชื้อก่อนจึงจะเป็นถ้าไม่หัดมันไม่เป็นชีวิตเราเป็นสัตว์ประเสริฐมหัดได้ถ้าไม่หัดก็เร็วที่สุดตกรโรกเป็นเปรตเป็นสุรกายได้ไอ้พบภวมงต่างๆเราจึงต้องฝึกตนสอนตน เราว่าหัดลรมันใช้ได้จริงจริงเป็นผลเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานถึงที่สุดทางชีวิตสุดยอดของชีวิตเรียกว่าไม่เสียชาติปงข้าน้มนมทำประโยชน์ได้มากถ้าไม่สร้างสรรค์ชีวิตเราในะด้านนี้ก็เป็นโทษแต่ตัวเองเป็นโทษต่อคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นยุ่งยากมากขึ้น ไม่ยากขนาดที่ต้องไปสร้างคุกตั้งแต่รางชีวิตของคนเราเนะน้่ยเดี๋ยนี้ต้องมีคุกมีแต่รางมีสตาอาวุธมีตำรวจมีตะหารมีระเบิดมีรถถังเพื่อไปเชณนฆ่ากันทำไมมนุษย์จึงเป็นอย่างนั้นไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นความผาุกก็อยู่ในมนุนี้เป็นสัตว์ประเสริฐ เราจะมาฝึกตอนนี้ใช้สธิของเรามันหลงเรามีสิทธิไม่หลงไม่สิทธิของมนุษย์มันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธมันทุกเรามีสิทธิไม่ทุกเราต้องใช้สิทธิให้ได้อย่าพึงยอมบางคนทําตามความโกรธทาตามความหลงทาตามความทุกข์นั่นไม่ใช่สติเป็นคนป่าเถื่อน ไปทำมาที่ปไต่อัตตาที่ปไต่เอาตอนกัน <c oughs> การกระทาลิขิตชีวิตของตอนเองโลกาที่ปไต่ไปช่วยโลกเป็นดินท้องฟ้าอากาศแม่นม้ำต้นไม้สัตว์สาหลายสิ่งทามาที่ปไต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้จากมนุษย์นี้ถ้าไม่ทําตรว น, นี้ก็เป็นโทษเป็นภยัย เป็นอัตรายเดี๋ยวนี้แผ่นดินเกือบจะเหยียบไม่ได้แล้วน้ารอยวัวรอยควายบอกลกัวบอกควายใช่ไม่ได้น้ามห้อยหนองกองเมืองก็งใช้มาได้ฝีมือของมนุษย์ฝีมือของคนแต่ก่อนพระใส่รองเท้าแต่เอาปล่ยญ้าเอาฝางถักต่อมาต้องสวมรองเท้าหอ่อนิ้วต่อมาอาจจะใส่บู๊ใช่ไหมทำไมอะ เพราะว่ามันแผ่นดินมีพิษมีภัยก็เราเดินทัพแม่ตาผ่านสิบยี่สิบหมู่บ้านเอาสารสุกไปด้วยไปตรวจเลือดเรินไปบ้านใดตรวจเลือดให้ชาวบ้านปรากฏว่าเลือดบวกเกือบแปดสิบเปอร์เซนตในบ้านแถวเนี้ยเขาก็วอยไ้ทำไมยังเลือดบวกผักก็ปูกกินเองน้ำก็รอนน้ำฝนจีน อาหาก็ไม่ค่ยได้ซื้อแล้ววังที่สุดแล้วทำไมไม่เลือดบวกแล้วก็เถียงเราเถียงหมอหมอก็ถามว่าเดินไปไร่ไปนาไหมเขาไปทุกวันนั่นแหละไปนาไปไร่ที่นาที่ไร่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าเขาใช้สารเชิงมีไหมเขมีทั่วไปที่ไร่ของตัวเองก็ฉีดเออแล้วก็ใช้นุ้ยหนอของกรมืง ไหนก็ใช่ร่างขาร่างหน้าบางทีน้ำแค่ข้าวหัเข้าก็ไปน้ำห้วยน้ำหนองทีน้ำบาดาลก็ไม่ค่อยสะอาดก็นั่นแหละหายใจอยู่ที่ไหนหายใจอยู่ที่กามกโซนเนี่ยจีดลงไปค่ายายีา่สิบเปอร์เซนกวนแรงร้อยเปอร์เซนแต่ไปค่ายญ้ามันค่ายายีา่สิบเปอร์เซน มันไปตามอากาศยี่สิบเปอร์เซนมันลงไปดินยี่สิบเปอร์เซนต์ลงไปในน้ำยี่สเปอร์เซนเป็นร้อยเปอร์เซนพอดีเอานั่นเอาไว้ที่ไหนล่ะไปในดินไปในอากาศไปน้ำไปไปฆ่าล่ะไปฆ่าคนเพราะนั้นเ น, น, นี่ยเพนเดนี้เราจะอยู่กันยังไงถ้าเราไมาช่วยกันนะต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ปฏิเสธการรับผิดชอบร่วมกันเคยมาทั้งต้นจากเราเนี่ย ทุกคนมาตั้งต้นจากค F F ติตของคนตนหนึ่งนับหนึ่งก่อนเราเนี่ยหนึ่งนักเรียนน่ะจะเปลี่ยนพยายามที่สุดไม่ทําสิ่งใดที่เป็นไปเบียดเบียนตนบุรีก็จะไม่สูบเราก็จะไม่จินไม่บีเบียนคนอื่นจึงได้บีเบียนตนจะไม่ทำสิ่งได้บีเบียนคนอื่นจะไม่ทําด้วยการพูดการทําความคิด แต่ไิจัดัทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเก็เจ็เจ็ตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาอาภยาปาจาอะนิกาสุขีอตัตนังทำไว้ในใจเสมอเพราะนันเนี่ยตั้งต้นจับหนึ่งเสียก่อนนับหนึ่งจับทุกคนเ ข, ข, ขียนไว้อาจารย์ยองสินเขียนไว้พี่ลงทานอ่านว่าไงให้อ่านได้ทีไหมตัวเท่าถเสาเนี่ย เข็นว่าไงเจ้าของวัดไม่เคยอ่านนะไปดูอะไรบาดีอยู่ที่คนบาดินน้าอากาศดีอยู่ที่คนคนดีต้องอยู่ที่เราต้องต้นตรงเน้กันสําเร็จเลยคนไทยหกเจ็บกว่าล้านคนหนึ่งเราก็แพ่ปเดียวเดี่ยวเท่านี้แล้วทําไมต้องยุ่งยากเลยเกิดนั่งอยู่นี่อยากน้อยต้องร้อยคนคิดซะแบเนี้รู้สึกตัวซะ มันก็ทําไม่เน็ตเดียวเท่าไงเนี่ยประโยชน์จะใครเราเป็นสัตว์สังคมมีใครอ่ะสามีก็มาพัญยาก็มานั่งอยู่ตรงมาทั้งสองลูกชายสองคนมาปวดสีคนแล้วเอาละลูกนั่งคุยกันต่อประนี้มีเราเนี่ยนีพ่อแม่มีลูกมาช่วยกันพวกเราอะไรที่มันดีเตือนกันนะเวลาเตือนกันอย่ากโกรธนะดูแลกัน ต่ทุกจะดีจะยากจะจนอยู่ที่เราพ่อแม่ลกูกพ่วก่อนดยป่าวา่าร้นอาหาต่อกันมันจะต้องสำเร็จแน่นอนอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต้องมาดระวังตั้งต้นชีวิตใหม่ยีดใหม่ต้องตั้งต้นใหม่จังเละมันเข่ากันน้องตาเนี่ยเขาให้มาพราะเพื่อนป่วยอยู่สองปีลงไยบบานจุฬามากับอา จ, จารย์ตุ้มอาจานนรย์นศต่อให้เลือกบ้านแต่ไปอยู่วัด เสนอวัดไปดูวัดนั่นก็โอ้ยมันอยู่ใกล้ทางรถปล่อยว่าอยู่ที่น่นก็อยู่พุ่นวอยอากาศไม่ดีเราก็ใจเส้นฝ้ายชีวิตเหมือนเช่นฝ้ายก็จะขาดต้องโนบเราก็ให้เลือกแต่ถ้ามาอยู่วัดนี่ก็ไกลเกินไปนั่งรถไม่ไหวก็เลือกที่สารยา เขาเสนอบ้านหลังหนึ่งเอาเคยไปดูอเขาอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ได้แล้วก็มอบให้บ้านหลังหนึ่งมาอยู่ก็เลยตั้งต้นชีวิตใหม่ที่นั่นคอยหายใจคอยหัดเดือนหัดยืนหัดนอนก็เลยว่าชีวิตใหม่อยู่ที่นี้เลยตั้งชื่อบ้านหลังนั้นไม่ใช่ทั้งดอกนวชี ว, วันชีวิตใหม่อยู่ที่นี่ เจ้ของมานเลยเขียนไปเลยบ้านนาวะขีบ้่นไว้เลยอ๋อ <c oughs> ดีเหลือเกินเนี่ยใหม่จริงๆนะมันหลงตั้งต้นใหม่เวลามันโกดเปลี่ยนใหม่ผมโกดมันหน้ามือเปลี่ยนใหม่มันจะได้ใหม่ผมมะจันเขือใหม่ไม่เปื้อเพื่อนบริสุทธิ์อ๋อสมผมมจารีตั้งต้นจากผมรู้สึกตัวเป็นผมมะจารีบริสุทธิ์ ต่ตั้งต้นจากความไปสวไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปต่อไปคั้หัสจะต้องอนนี้สงจากพรมจารีไปมาตนตจนไม้ที่ปลูกตรงๆขึ้นงามาออกดอกเกาเก่งก้านสาขาคัา้หัสวันนัปลัดต่อไปอีกอย่าสีต่อไปอีกผสมพรมาจารีหนึ่งปีถึงยี่สิบปีสมขัหัส 20ปีถึงสี่สิบปีวันปรลัดสี่สิปีถึงหกสิบปีสัญญาสีหกสิปีถึงแปดสิบปีสัญญาสีจีนอาสองตั้งแต่ตั้งต้นมาไปแล้วไม่ตั้งต้นใหม่เลยมันก็เร็วไปเลยบางทีเกิดมาสว่างไปมืดตาสมที่แรกก็ดีพ่อดีแม่ดีสั่งสอนโลกเต้าเราก็ดอลูกของคนเนี่ย มันมีอยู่สามระดับอภิชาติบุตรบุตรที่ดีกว่าพ่อกว่าแม่พัฒนาโสูงขึ้นไปหินชาตบุตรบุตรที่เล็วที่สุดอวาชาติบุตรบุตรเส ม, มอพ่อเส ม, มอแม่มันเป็นแบบนั้นบุญเกิดเพ่อแม่เป็นคนดีเพ่อแม่เป็นครูเป็นหมอหรือว่าบุญเกิดถ้ามีลูกลูกเป็นคนดี ไม่ต้องหนารับจ้างขุดบันตัดร้อยจะกินอะไรใช่อะไรเพาะแม่โอกาสให้เรียนหนังสือให้ทํางานอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆนี่เรียกว่าบุญเกิดดีแล้วไม่ลําบากไม่ชีทุกข์ยากเหมือนลุงตาร้องตาเป็นคนลูกกำพร้าเป็นคนขี้ทุกข์ยากหาคนอื่นทุกข์ยากเสมอหรอกไม่มีหรอกสมัย ก, ก่อ น, น <laughs> จริงๆนะไม่ใช่อันนี้แล้ยว่าครอบคุณความทุกยากถ้าเราไม่ความอดทนไม่โย้ท้อครกคุณควทุกข์ควมยากไม่ประมาทเหมือนเขาเวลาไปเที่ยวงานเป็นหนุ่มแอบจืนบังร่มเงาไม่กล้าไปไปเจอไปเจอเราเป็นลูกก่อนพ่อเราจะไปจีเรเหมือนเขาไม่ได้เขาจะหลังเขียด อร่อยเสงยมเจียมตัวระมัดระวังนะขอบคุความจนแต่บางคนพอให้ข่มจนพอทำชั่วคือโลกหมอย้อกี่เลยอ่าบุญเกิดบนนุญสรนบุญสร้างบุญสร้างต้องทำเองแม่พ่อแม่ให้เกิดมาดีแต่ไม่มีบุญสร้างส่วนตัวตํางาดก็เลยสามละ่ะใช่ไหมต้องสร้างเอาเอง ตออไปลองสร้างไม่มีใครให้กันนะเรารู้เราสร้างเองเพราะไม่ให้ไม่ไร้ไหมหลวงพอ่อโอ้พอ่อหลวงพอ่อขอความรู้สึกตัวด้วยโอ้สาธุขอพระเจ้าพระจอมพระสมฆ์มาช่วยด้วยไม่มีทางสร้างก <c oughs> ็บุญสร้างดีบุญสร้างให้ไม่ได้รัดขนัดไหนก็ให้ไม่ได้นี่บุญสร้าง เป็นกรรมของเรากรรมวนาวตีเรโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยอันนี้แน่นอนแล้วนะบุญศรบุญศรนพวกเราก็มีครูอาจารย์ทุกคนนี่หน่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูนี่ก็เป็นครูอาจารย์ะหื่ ว, วางก็มีพ่อเป็นครูใหญ่ที่เคยเป็นพออยูนี้เอาลูกศรมารว่างปฏิบัติธรรมที่นี่ บนเกิดบนสอนชวนลูกสาวเข้าวัดน่บนสอนไปหลวงพ่อก็สอนจารย์โยมถิ่นก็สอนพระพิ้าก็สอ น, วนสวดสาธยายบนสอนบนสร้างต้องทำเร า, าสอนเท่าไหร่เหมือนเป่าปีใสหัวกวยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมต้ <laughs> องว่างว่างรับเอาโอ้ควคมหลงเป็นนี้ลูกของลูกเป็นนี้ แล้วไปทําออกไปทําดูนะฮะ